Thank you. ที่ทิ้งแล้วก่อนที่จะไปก่อนที่จะมาเข้าบรรษาไปบรรยายที่สถานที่อย่างหนึ่งในกรุงเทพบรรยายเสร็จก็มีคนถาม ว, าว่าพระพุทธเจ้านี่มีจริงหรือะเป็นไปได้ไหมว่าพุทธเจ้านี่ไม่มีจริงแต่ว่าแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้คําสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือทําให้คนเนี่ย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 นอกจากคำสอนพรจะองคจริงหรือเปล่าแล้วเนี่ยก็ต้องถามว่านําไปปฏิบัติแล้วได้ผลไหมปฏิบัติแล้วทําให้ชีวิตดีขึ้นหรือเปล่าเช่นสี่ห้าเนี่ยนะหรือว่าการฝึกจิตนะให้มีสมาธิทําแล้วเนี่ยมีความสุขขึ้นไหมกลายจากความทุกข์หรือเปล่าแก้ปัญหาชีวิตได้ไหมเนี่ตรงนี้คือสิ่งสําคัญกว่านะสาหรับพุทธศาสนาเนี่ย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 อ่าชาเนียพกับทนี้อ่ะกลับพั